ความต้องการด้วยวัตถุนี้ของเราไม่มีข้อนั้นเพราะเหตุไรครับอุบาโชกก็สามเณรผู้เป็นกบิยาการกในสำนักของเราไม่มีท่านผู้เจริญถ้ากัปปิยะการกคือผู้ทํากัปปิยะไม่มีบุตรของกระผมจะเป็นสามเณรในสำนักของพระคุณเจ้าได้พระเทรานั้นรับแล้วอุปทา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 เมือม่อสามเณรนั้นจะแจงเสนาสนะอยู่ทีเดียวก็เวลาหมดแล้วประเหตานั้นสามนเณรจึงไม่อาจจัดแจงเสนาสนะเพื่อตนไดนน้พระนั้นพระเถระถามสามนเณรนั้นผู้มาในเวลาบ่มรงนั่งอยู่แล้วว่าสามนเณรเจ้าจัดแจงที่อยู่ของตนแล้วหรือกระผมยังไม่ได้โอกาสเพื่อจัดแจงครับ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 ไม่มีหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พออดทนได้พระศิขา้าความไม่ผาสุกรุนแรงอะไรอะไรของข้าพระองค์ไม่มีแต่อีกอย่างหนึ่งแลคนอื่นผู้มีคุณล้นเหลือเหมือนสามเณรเด็กนี้อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระศิขา้าภิกษุการอะไรอันสามเณร น, นี้ทําแล้วเล่าประเดรนานั้น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 ผู้ขี่นาศบนั้นชื่อว่าสงบแล้วแท้คือระงับได้แก่ดับเพราะความไม่มีแห่งมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชาคือความเพ่งเล็งเป็นต้นอนหนึ่งวาจาชื่อว่าสงบแล้วเพราะความไม่มีวจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาว่าเป็นต้นและกายกรรมชื่อว่าสงบแล้วนั่นเทียว เพราะความไม่มีแห่งไกยทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้นคําว่าสัมมาทัญญาวิมุตตสสะแปลว่าพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบหมายความว่าผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยวิมุตติห้าอย่างเพราะรู้โดยในโดยเหตุคําว่าอุปสันตสสแปลว่าผู้สงบระงับ หมายความว่าชื่อว่าผู้สงบระงับแล้วเพราะความระงับแห่งกิเลสมีราคาเป็นต้นนะภายในคาว่าตาทิโนคือคงที่หมายความว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเห็นป่านนั้นในเวลาจบเทศนาพระติสเถระชาวกรุงโกสัมพีบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย ทำเปเนสนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แหละเรื่องพระติสัตถทระชาวกรุงโกสัมพี